ตอนอบรมคราคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่9คือประโยชน์มันเกิดจากวงกว้างนะนี่คือความยิ่งใหญ่นะนี่คือความภาคภูมิใจจริงๆเขาฝึกให้คนเนี่ยให้พอให้แล้วอย่าอย่าไปหลงว่าตัวเองเป็นผู้ให้มันจะเกิดอัตรา ให้อย่างนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ขอบคุณคนที่เขายอมรับของเรานะเขายอมรับของเราเพื่อทำลายอัตราตัวเองนะนี่คือความสุขความสุขกับการให้ไม่ใช่เอานะนะแล้วให้นี่เราจะไปหลงวาล่าเราเป็นผู้ให้แล้วก็มีอัตราขึ้นมาตอนอย่างนี้ตอนที่เราให้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการให้เพื่อลดอัตราเพื่อทำลายความโลภเรา <c oughs> ตรงมาก เพราะครูไปเห็นแล้วเนี่ยธรรมะตรงๆแล้วคนหนุ่มที่สุดท้ายวันนสิงเนี่ยก็เคยมาปฏิบัติธรรมพระครูหหหวันเราแลกเปลี่ยนกันเยอะแล้วก็มาถ่ายทมที่นี่นะก็หลังจากออกไปที่นี่เขาก็ลงในเว็บไซต์เขาว่าเขาเป็นพุทธสมัยก่อนเขาไม่มีศาสนานะแต่เราคุยกันเยอะเหลือเกินที่นี่เขาเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาไปสัมภาษณ์องค์ดารามะเขาไปมาหมดเลยนะ พ่อครูก็บอกเขาว่าพ่อครูเนี่ยเป็นแฟนขับเขาน ะ, นะเคยเอาเรื่องนี้มาฉายให้ทุกคนดูแล้วบังเอิญเขาก็กลับมาเรียนดูด้วยกันนะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งให้พวกเราเข้าใจชีวิตเราต้องดำรงชีวิตเราต้องมีอาชีพทุกคนต้องอยู่ได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นมนุษย์เราต้องมีส่วนเกินไม่ใช่ว่าเราต้องมีเงินก่อนค่อยมาทานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปช่วยเก็บขยะ เขาบอกตอนเขาทำธุรกิจเขาล่ำรวยเขาทะเลาะ ก, กับแฟนเขาทุกวันไม่มีความสุขพอเขามาเก็บขยะแล้วเนี่ยแฟนเขาก็มาเก็บชีวิตดีขึ้นคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมความสุขไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเยอะๆนะมีเยอะแล้วก็มาเถียงกันทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะมันไม่ใช่ความสุขนะหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเหมือนที่พวกครูคิดพวกคููไม่ได้คิดเลยยี่สิปีก็ทำอย่างนี้เพื่อนฝูงที่สนิทกันเนี่ย เขาปฏิเสธศาสนามาตลอดเขาด่าด้วยปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมที่ไปเปิดโรงเรียนทำไมสังคมไทยเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมหลับหูหลับตาไปนั่งฝึ ก, กจิตเฉยๆเนี่ยนะนะมันไม่ใช่ทานศีลภาวนาคือการปฏิบัติธรรมนะชือ่อจีนนี่ชัดเจนมากแต่บังเอิญว่าเขาอยู่ในจุดที่ไต้หวันหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจนะเขาก็มีกาลังอนุโมทนาสาธุกับท่านนะเพราะว่า ถ้าจิตเราไม่เข้าถึงจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีเมตตาขนาดนี้นะนี่แหละเมตตาทาค้าจุนโลกเมตตาเหมือนเราสูญเสียเราเป็นผู้ให้นะเหมือนเราเสียเนี่ยเราเสียเปียบจริงๆแล้วไม่ใช่เราได้ให้นะเราได้ให้เพราะกูปเปิดโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่ฐานที่ตั้งแห่งการเจริญทานบารมีของเรานะถ้าไม่มีคนยากจนเราจะไปทาบุญกับใคร เราไปทําบุญกเกษตรถีเขาด่าเราด้วยมาดูถูกเขาเห็นไหมเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้สร้างกุศ ล, ลจิตนะใ ห, ให้เราไปศึกษาดูนะเรื่องนี้พ่อครูสําหรับพรอครูว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆยิ่งใหญ่มากนะไม่ใช่ท่านทําใหญ่ขนาดนี้ท่านก็อยู่แบบสัมมาทัยเรียบง่ายไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อนะไอ้ตัวนั้นก็เป็นเรื่องคือทําให้สังคมเนี่ยทาน นะยึดหลักพรมวิหารอย่างชัดเจนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะก็ชัดเจนพเพราะคูพูดมาหลายปีว่าทําบุญตามบุญไม่ใช่บุญพอมาเจออั น, นี่แหะพวกหักแก้วแก้ ว, กวใช่ละเอามาเนี่ยธรรมะตรงมากนะท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าเอาทูปเอาเทียนไปไหว้พระแล้วบอกว่าศาสนาพุทธแล้วก็ไปไหว้ขอให้ลูกชั้นเรียนเก่งๆสอบได้ให้ชั้นล่ํารวยขึ้นท่านบอกว่ามันพุทธไม่ได้สอนแบบนั้นนะ ที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเป็นการเตือนสติให้เราต้องมุ่งมั่นแล้วไหวพ้พระกราบไหวพ้พระบรมสารีริกาธาตุไม่ใช่กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้พระบรมสารีริกธาตุนี้ช่วยเหลือเราไม่ใช่เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีหน้าที่ทําให้กระดูกเรากลายเป็นพระธาตุ ไม่ใช่ไปอาศัยพระธาตุมาช่วยเหลือเรานะส่วนมากตอนนี้สังคมเนี่ยเราเราเผยแพร่พุทธธรรมแบบเละเรือนไปหมดแล้วนะมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะเพื่อเป็นอุบายวิธีทาให้เรามุ่งมั่นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาไปอยู่ในป่าฝึกจิตอย่างเดียวนะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะ อ, อ, อย่างหลวงปู่มั่นหนีเขาไปในป่า แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปท่านก็ให้ได้ให้ธรรมทานเนี่ยไหมพระเขาไม่มีสตังค์เขาจะเอาตังค์ที่ไหมเขาก็ให้ธรรมทานเขาไม่ขี้เหนียวท่านก็ทําทานตลอดเห็นไหมท่านก็ให้ทานสัตว์ท่านไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าหลับตาฝึกจิตอย่างเดียวนะการปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาชื่อจี้ชัดเจนมาก ก, ก, ก็เกตเล็กเก็ตน้อยเอามาฝากกันเนาะเอาเข้าห้องน้ําแล้วก็เตรียมตัวปฏิบัติ